ใจอ่อนไหวเพรไม้มันคงกับความตั้งใจดีๆที่เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อคิดจะเปลี่ยนแปลงนิสัยการหาเทคนิคแบบโลกๆมาใช้อาจได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างในแต่ละคนต่างจากการแก้ลำ้ำด้วยการเอาบุญมาเป็นตัวตั้งตั้งใจทำอะไรดีๆอย่างมั่นคงเพื่อเป็นการส่วนกระแสาบุญเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุข ความอบอุ่นและบุญเป็นสิ่งที่มีอำนาจดัดแปลงใจทำให้จิตมีคุณสมบัติที่ดีที่พร้อมจ ะ, ะเผชิญอุปสรรคและเรื่องยุ่งยากทั้งหลายบุญในขอบเขตของพุทธศาสนาก็คือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญสติวิธีทำบุญแก้จิตที่อ่อนไหวคือหนึ่งให้ทาน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 หวังว่าอะไรอะไรภายนอกจะดีตอบแทนเราทันใจก็อาจยิ่งทำให้สงสารตัวเองหนักขึ้น 2. ถือศีลตั้งใจนแน่วแน่ว่าจะถือศีลให้ได้ถ้าไม่สามารถครบห้าข้อก็ขอให้เลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งที่ทำผิดเป็นประจำแต่ง่ายที่สุดที่เราจะรักษา เช่นเคยพูดบดเอาตัวรอดก็ตั้งใจงดเว้นเด็ดขาดเพียงคิดรักษาสินข้อใดข้อหนึ่งให้ได้มั่นคงก็จะสร้างวินัยขึ้นมาตัววินัยนั่นเองที่เป็นคันติบารมีทำให้จิตใจแร่งขึ้นเรื่อยๆปกติถ้าคิดจะถือสินในข้อที่ทำผิดเป็นประจำธรรมชาติจะส่งบททดสอบมาให้ทันทีและมักเป็นเรื่องชินๆอยู่ว่าต้องทาไม่ทาไม่ได้ หากคุณฝืนสำเร็จตัดใจว่าเอาชีวิตใหม่เป็นเป้าหมายต้องบุกน้ำลุยไฟแค่ไหนไม่สนนั่นล่ะการเปลี่ยนแปลนิสัยทางความคิดที่แท้จริงแต่ถ้ารักษาสีนห้าได้เป็นปกติอยู่แล้วก็อาจลองขยับไปถือสิน8ปดดูยังไม่ต้องเกรงครัดเต็มรูปแบบก็ได้เพียงคิดว่าในหนึ่งเดือนขอมีสักสี่วันที่เราจะทาตัวห่างจากกามคุณอันเป็นที่บันเทิง เช่นงดดูทีวีงดฟังเพลงไม่กินจุบกินจิบจนง่วงเท่าที่เห็นมาคนตั้งใจแล้วทำได้จะมีจิตที่หนักแน่นมั่นคงขึ้นอย่างรวดเร็วมีร่องรอยบอกว่าปุ้งซ่านน้อยลงแทบเป็นคนละคนภายในเวลาไม่กี่เดือน 3. ามจเจริญสติ น, นี้ยังไม่แนะนำถึงขั้นนั่งสมาธิหรือทำวิปัสสนาอะไรที่คนเราอ่อนไหวง่ายและฟุ้งซ่านบ่อยนั้นก็เพราะขาดสติอยู่เสมอเสมอถ้าหากมีเครื่องเจริญสติได้ก็ย่อมมีส่วนลดความอ่อนไหวลงอโขเวลาเดินไปไหนมาไหนให้สังเกตเล่นๆ เ, เสมอว่ามีความสะเทือนจากฝ่าเท้ากระทบขึ้นมาถึงยอดอกถ้าฝึกเดินให้สม่าเสมอ เป็นความสะเทือนอย่างคงเส้นคงวากระทั่งใจมีจังหวะคงที่ขึ้นมากลางอกก็จะสังเกตงา่ายว่าเมื่อใดวูบไหวเมื่อใดหนักแน่นเมื่อใดหลุดจากสติไปเป็นฟุ้งซ่านวกวนระหว่างวันทุกห้านาทีหรือสิบนาทีถ้านึกออกก็นึกถึงลมหายใจบ้างเพียงครั้งเดียวทุกห้านาทีเมื่อสะสมแล้วจะเป็นสติกองใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนกัน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 เราไม่คิดมากเหมือนเดิมรู้สึกนึกถึงและให้ความสำคัญกับจิต ท, ที่เป็นกุศลมากขึ้นครึ่งปีก็อาจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ครับ